ในวันนี้เป็นวันเพ็ญติพ่า้าเป็นวันอุโบสถท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาภาษาทะต่างก็ได้ละกิจการงานทางบ้านมาวัดตั้งแต่เช้ามาแล้วในค่ำวันนี้ก็มีศรัทธาภาษาทะมาไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนา อบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจและหมันปฏิบัติธรรมทุกอย่างทั้งทานทั้งศีลและภาวนาตลอดจนความดีด้วยประการต่างาเพื่อให้กายวาจาใจของตนหมดจด ที่จริงวันนี้เป็นวันพระอาทิตย์ข้านั้นเป็นวันพุธชาวพมา่าชาวมอญและชาวภาคเหนือของไทยนิยมไหว้พระอุปคุตเขาเรียกวันนี้ว่าวันเป็งพุธคือวันที่พระอุปคุตจะมาโปรดในเวลาครึ่งคืนในพากันสวดมนต์บทของอุปคุต นี่เป็นประเพณีของพอมา่าของมอญนและของคนทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่แม้ไทยใหญ่ใน แ, แม่องสอนอันอื่นอีกก็มีนิยมกันมากแต่เราทั้งหลายนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อตั้งใจจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้กายวาจาใจเกิดความผ่องแผ้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาได้แสดงทมอันเป็นทั้งส่วนสมถะและวิปัจนาเบื้องต้นพอสมควรซึ่งในวันนี้ก็จะมาเน้นหนักเรื่องการทำสมาธิทางจิต เพราะจะทำให้จิตใจของเรามีพื้นฐานที่มั่นคงและเมื่อจิตเข้าถึงสู่สมาธิจะทำความรู้สึกในจิตใจนั้นให้ชุ่มชื่นเบิกบานเป็นเหตุให้เกิดความภาพเพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเกิดความแน่วแน่ขึ้น ธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องสมาธิในข้อนี้เป็นแต่เพียงผู้ใดได้ผ่านจิตเพียงขณะเดียวย่อมเป็นสิ่งที่ประเสริฐของจิตใจของตนเป็นอย่างยิ่งคือได้รู้ได้เห็นได้ทั้งผัดอารมณ์ทางสมาธิที่จิตของตนเอง ทุกครั้งก่อนนี้เราไม่เคยทับผัดนายเพียงจะเรียนรู้ว่าสมาธิสมาธิความพิจิตต่้งมัน่นก็นึกในใจว่าความพิจิตต่างมั่นคือจริงจังไม่ท้อถอยต่อการงานก่อการปฏิบัติอันนั้นเป็นแต่เพียงวิริยะเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเท่านั้น แท้จริงกิจที่เกิดความสงบขึ้นแม้ขณะเดียวยอมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำในชีวิตของเราอุปมาเหมือนกับเราเดินทางไปที่ไหนกำลังมืดฝนฟ้าก็จะตกลงมองไม่เห็นทางชัดเจนนะในขณะเดินเริ่มแรกมีเดือนหงาย เห็นผลทางชัดเจนคั้นเมื่อเมฆหมอกฝนจะตกมาก็คลุมแสงเดือนที่สว่างนั้นให้มืดลงเราก็เดินสุ่มๆกันไปตามมืดๆในขณะใดถ้าฟ้าเกิดแรกแวบเดียวเราจะเห็นทางสว่างไปไกล ทำให้เราเกิดความอุ่นใจในการเดินทางได้ไม่ น, อน้อยทีเดียวฉันใดจิตของผู้ที่ได้ถึงสมาธิเพียงขณะเดียวก็ประเสริฐเหมือนกันกับอารมณ์ที่ได้เห็นแสงสว่างนั้นแต่ความที่จิตเห็นแสงสว่างความที่จิตได้รับความสงบ เป็นบุญมหาศาลยากที่จะพารนาได้เราเห็นแสงสว่างแห่ฟ้าแรกเพียงรู้จักทางทางนั้นเองแต่เราเห็นความสว่างของจิตหรือสงบของจิตหมายถึงความเจริญทางจิตใจนี้จะนำพาให้เราไปถูกพบที่ประเริดอย่างยิ่งคือผู้ใดมีสมาธิ ก็อย่อมไปเกิดในสุคติเพราะฉะนั้นแม้สมาธิเพียงนิดเดียวย่อมมีผลมากดังในอดีตพระราชาได้ออกปฏิบัติพระราชกิจออกเยี่ยมเยียนประชาชนแม้ตอนเช้าตอนสายตอนบ่าย ก็ไม่แข็งแกร่งต่อความยากลําบากในตอนบ่ายวันหนึ่งออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนของเหงื่อไหลมากจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดหน้าตาของพระองค์เมื่อเช็ดมาแล้วก็ดูผ้าเช็ดหน้าเห็นว่าเปือเป้อนด้วยเหงือ่อด้วยใครนึกรู้ว่าสรีระข้างกายของเรานี้ช่างตกกระปรกช่างเลอะเทอะ จิตเกิดความสังเวชและสงบลงเพียงเดี๋ยวๆด้วยอานิสงส์แห่งความที่เห็นผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าตัวเองสุขบกเป็นเกิดทางเวชจิตปลอดจากนิวรณ์เพียงช่วงนิดเดียวอานิสงส์ของพระราชานั้นย่อมสู่สุขติทรรมนุ ษ, ษ์สมบัติและสวรรค์สมบัติชาติแล้วชาิเล่ากลับแล้วกลับเล่า เป็นจำนวนเวลามากมายทีเดียวนี่แสดงให้เห็นว่าจิตที่สงบแล้วเป็นบุญวิเศษทำทานร้อยครั้งก็ไม่เท่าจับศีลหนึ่งครั้งรักษาศีลร้อยครั้งก็ยังไม่เท่าเจริญจิตเจเานาที่สงบหนึ่งครั้งพระานิสงส์แห่งการฝานสงบนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง ในชาตินี้เช่นยะสากุลบุตรในชาติก่อนยะสากุลระบุอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดินทางมาพบหญิงท้องแก่นอนตายอยู่กลางทางก็ช่วยกันหาฟืนมาเผาเวลาจุดไฟขึ้นแล้วไฟก็ไหม้ลามจรีระาร่างกายจนหนังภายนอกถลอกเปลดอกถลอกออกไปก็เห็นเนื้อในดังดุดโคดา่าง ตรงไหนที่หนังยังไม่หลอกก็ม้า่ดำตรงไหนที่ทะเลาแล้วเห็นเนื้อในพังผืดในก็เห็นขาวเหมือนโคดงจิตของยะตะในชาตินั้นพร้อมในเพื่อนต่างก็เกิดฟามสังเวชตลดในขณะที่จิตเกิดฟรรังเวชนั้นปลอดนิวรันคือการประฉันจิตจึงเข้าสู่ฟัมสงบเพียงไม่นานหลังจากชาตินั้นแล้ว ให้เกิดในมนุษย์บ้างในสวรรค์บ้างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติพบแถมยังได้ประเกิดไปเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งในตระกูลที่มีฐานะดีไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากต่อประการใดอีกด้วยจนมาชาตินี้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะอานิสงส์เพียงได้เห็นอาุภะจากคนตายเพียงไม่มากนั่นเอง ที่เป็นอุบายให้จิตเกิดความสังเวชปลอดนิวรจนสงบนี่เป็นหลักฐานยืนยันและความจริงของการบาเพ็ญธรรมเพื่อให้เกิดบุญให้เกิดคุณงามความดีให้เกิดความสงบผู้ที่มีวิริยะอุตสาหและปรรถนาธรรมยิ่งขึ้นก็น้อมนำจดจำอารมณ์ของสมาธิไปเจริญวิปัสนาต่อก็อจะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นธรรมะสูงยิ่งขึ้นถ้าหาว่าไม่ได้เห็นกิตเป็นสมาธิหรือเป็นฌานย่อมเกิดในรูปฌานท6หกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามกำลังของสมาธิก็เป็นอันว่าทรรมที่เราปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความถุกติในวันนี้จะขอมาเน้นหนักเรื่องการเจริญสมาธิ นางที่กล่าวมาแล้วหลายหนแนชั้นทั้งหลายก็กศึกษากันมา ก, มากแล้วว่าจิตที่ภาวนาแล้วไม่เกิดสมาธินั้นเพราะมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งแอบแฝงอยู่ในจิตเรายังไม่มีสามารถที่จะมีปัญญาค้นหาอารมณ์นั้นได้เพราะยังไม่ชานานและยังไม่พบทางส่วนที่ท่านพบทางแล้ว ย่อมมีชาความชานานขึ้นนิวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นแผบแฝงอยู่ในจิตของเราหรือในขณะที่จิตของเราเริ่มสงบพอเริ่มสงบสังขารปรุงแต่งคือจิตปรุงแต่งขึ้นไม่สามารถจะคุมความสงบมันนั้นไม่ได้นิวร์ต่างๆก็แทรกขึ้นมาได้ ทำให้อยากรู้อยากเห็นอยากให้มีความสนบยิ่งกว่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสชั้นละเอียดเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษากรรมฐานคือสมาธิเมื่อได้รู้จักวิธีการเจริญสมาธิที่ถูกต้องกับอารมณ์กับจิตหรือพอเป็นทางปฏิบัติได้แล้ว มิใช่จะต้องรู้จักเพียงทางสมาธิอย่างเดียวต้องรู้จักสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคของสมาธิซึ่งเรียกว่านิวรณ์ด้วยซึ่งได้กล่าวไว้บ่อยๆนิวรณ์คือทำมันฝังจิตให้มารูปความดีได้แก่หนึ่งกามาฉันความพึงพอใจละไข่ในรูปเสียงกินรสอารมณ์ยางได้อย่างหนึ่ง ความพอใจรักใคร่นี้มิใช่เพียงมิใช่ว่าจะเป็นแต่เพียงที่ความพอใจในรูปไปต้นหาไหมวัตถุสิ่งของอื่นๆด่ิ่งหนึง่งติ่งใดที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่หวงแหนเป็นผู้จึงตราใจก็จัดว่าเป็นอารมณ์ ของกามะฉันด้วยเพราะว่าคำว่ากามะแปลว่าใครฉันทะแปลว่าพอใจและพอใจในอะไรในบุคคลก็มีในเสียงก็มีหรือในวัตถุต่างๆก็มีเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับต่างๆก็มีเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะพาให้จิตใจ ไปผูกพันไปกังวลในส่วนนั้นสมมติว่าเรามีเครื่องประดับอย่างสวยงามรู้สึกว่ามีความพอใจผูกใจกับเครื่องประดับนั้นมากความติดใจและความพอใจนั้นลึกฝาอารมณ์ของภาวนานั่นคือกามาฉันแทรกอยู่ใต้จิตของเรา อุปมาเหมือนกับงูหรือตะขาบมันอยู่ใต้ที่นอนของเราเราไม่รู้เมื่อนอนไปนอนใหม่มันก็เกิดลุกออกจากใต้ที่นอนมากัดเราได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันการมาฉันความพึงพอใจรักใคร่ในรูปเป็นต้นจะเกิดเพราะ เห็นสิ่งที่พึงพอใจนั้นว่าสวยว่างามคือสุภะหมายถึงสิ่งที่สวยที่งามเป็นอารมณ์ของกา ร, รมจฉันที่จะใจเกิดเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นราคะและรุนแรงยิ่งกว่านั้นกะกลายเป็นตัณหาจุดต่างๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ที่เจาะต้องเจริญจิตภาวนานั้นคือทำสมาธิจะต้องรู้จักเลยเข้าใจในตำราแห่งพระใจบิดหลวงสมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าขอสอนไว้อย่างตรงไปตรงมาแล้วว่ากามฉันเกิดจากสุภาารมคืออารมณ์ที่สวยงาม ก็ เ, เกิดความรักความไข้ความชอบใจความติดอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะทำลายกามฉันหรือขจัดกามฉันให้ออกไปให้หมดจดจา ก, กิตของเราจึงต้องเจริญธรรมที่ตรงข้ามกับความสวยความงามความหน้าคร่หน้าพอใจคืออสุภะ เติมคำเจิมว่าอขึ้นไปตัวหนึ่งของสุภาก็แปลว่าไม่งามเพรา ะ, ะตัวนี้แปลว่าไม่ไม่งามทีนี้ไม่งามนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของเราย่อมค่อยๆทำลายอารมณ์ของกามฉันที่มีจิตใจบัวพันผูกอยู่ในพระใจปิดกท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ ลาวนามีโคอยู่ตัวหนึ่งลามไว้นอกรั้วแห่งนาของตนในวันหนึ่งตนเองก็กำลังเกี่ยวข้าวใช้เคียวเกี่ยวข้าวขณะนั้นโคหลุดมาจากเชือกจึงเข้าพังรั้ว ที่กันนาอยู่นั้นได้เข้ามากินข้าวในนาฝ่ายเจ้าของนาเจ้าของโคจึงทิ้งจึงทิ้งเขียวเสียหากระบองได้ไล่ตีโคให้วิ่งออกไปนอกรั้วแล้วก็ซ่อมรั้วเสียใหม่ให้มั่นคง เป็นธรรมะเคื่อเปรียบเทียบว่าโคคือตัวราคะที่ดื้อกะบองที่ตีโคคืออทุพะเพราะฉะนั้นโคคือราคะอตุพะคือกระบองโคมันกลัวกระบอง ถูกไล่ทีมมันก็วิ่งหนีมันไม่ยอมสู้การมาฉันหรือราคะก็เหมือนกันมันก็กลัวอาทุพะเพราะฉะนั้นจิตของเรานึกถึงอาุพะไว้มากๆในบทใดบทหนึ่งก็ได้แต่ที่เคยปฏิบัติมาถ้ า, ากว่าในเวลาที่ จิตปกติแต่รู้ว่ายังไม่พ้นจากอนานาจของราคะหรือกามฉันพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นอสุภะในรูปของโครงกระดูกก็ได้กระดูกแห้งๆก็ได้ไม่ต้องไปพิจารณาทรากสบสดหรือเราเห็นรูปเดี๋ยวเขียนไว้ว่าร่างกายของคนเราก็ในามีโครงกระดูกอย่างนั้นอย่างนั้นที่อิสระอย่างนั้น กระดูคออย่างนั้นกระดูกแขนอย่างนั้นกระดูต่อโปกกระดูกขาอย่างนั้นแล้วจําอารมณ์จำรูปนั้นไว้ยกเขียนไว้หรือเห็นโครงร่างที่ก็แฝนไว้ก็ได้ท่านเจคุณนวรัตวัฒน์สินทราวาสที่ท่านอยู่ในกุฎีไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนท่านท่านแฝงโครงร่างกระดูกของหญิงไว้คนหนึ่ง ไว้อยู่กายตัวท่านอยู่เสมอพระพิสุไปช่วยเก็บเสนาธนะไปปัดควาดช่วยเหลือท่านเห็นโครงกระดูกที่แผงอยู่นั้นจึงถามท่านว่ามีโครงกระดูกเช่นนี้แล้วไม่เป็นไรหรือหลวงท่านเจ้าคุณนวรัสก็บอกว่าโอ้ยเขาดีมาก ต่างกับเราอยู่กับเขามาสักระยปีแล้วไม่เห็นเขาพูดว่าอะไรเลย เ, เราเลยตะคำหนึ่งเขาอยู่ค่อยเฉยเฉยเราจะนั่งเขาก็เฉยเราจะอ่านหนังสือเขาก็เฉยเราจะนั่งสมาธิเขาก็เขยเราเดินผ่านไปผ่านมาจะห่อห้องน้ำขขเขาก็เฉยก็ไม่เคยทําอะไรเลยไม่ว่าอะไรเลยโครงกระดูกนี่ดีมากเข้าเฉยได้ดีมากเราก็ทําใจของเราให้เฉยแบบโครงกระดูกด้วย ถ้าจะเลาจเจริญอธุพะเพื่อป่าปราคะง่ายๆก็คือดูภาพที่เป็นโครงกระดูกหรือเห็นโครงกระดูกแล้วก็จำไว้แล้วพอจำไม่ได้แล้วมาไล่ตัวเราบ้างที่จะเราผมออกไปเสียเอาหนังออกไปเสียเอาเนื้อออกไปหมดแล้วก็จะค่อยๆเห็นลูกปลายภายในของเราว่าเป็นโครงกระดูก แต่นี้นี่หมายความว่าเรามุ่งดูกระดูกไม่ได้มุ่งดูเนื้อดูเอ็นดยตับไตไส้กุงในอัตุภากรรมฐานว่าที่ว่าอาัตติกะคือต้องการดูกระดูกเพราะว่ากระดูกมันเฉยอย่างใจคนนวราชันบอกแต่ลูกมันนิ่งเพราะฉะนั้นกระดูกมันเฉยกระดูกมันนิ่งจึงไม่ต้องน่ากลัวเพราะว่ามันไม่มีพิษสงอะไรกับใคร ท่านจะคุณนอรว่าอยู่กับท่านนั้นมานานไม่เคยเห็นเขาทําอะไรว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรนึกถึงเห็นกระดูกเหล่านั้นแล้วมาพิจารณาตัวเองให้ค่อยๆเห็นทีละส่วนก็ได้นึกเอาในเบื้องต้นนี่นึกเอ า, น, เอ น, น, เอานึกให้เห็นแบบนั้นพอนึกไปทํานานมากเข้ามาเข้าเกิดความทังเวทและจิตสงบจะเห็นโครงกระดูกภายในได้ และเห็นแล้วในขณะได้เห็นขณนะนั้นจิตสงบแล้วจิตปราจจางนิวรความที่จิตสงบในอารมณ์ของกรรมฐานข้อใดก็ตามนิวรนทั้งห้ า, าราคาบหยุดเงียบสงบไปแล้วไม่มีข้อไหนมารบกวนแต่ประการใดเลยไม่ใช่ว่าปราบกรรมฉันแล้วถีนั้นมีท้าจะมารบกวนไม่มี ปราภีณมิทะแล้วพยาบาทจะมารบวนไม่มีเพราะเมื่อป่าข้อใดข้อหนึ่งให้จิตสงบได้อย่างอื่นหายหมดเหมือนกับว่าศัตรูห้าคนมาเป็นหัวหน้าคนหนึ่งเรากำจัดศัตรูผู้เป็นหัวหน้าได้ได้อีกสี่คนก็วิง่งหนีหมดหายไปหมดจิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าอารมณ์อันใดที่พึงพอใจหรือเผลอไป ให้นึกถึงอธุภะกรรมฐานหรือถ้าาว่าเรามีจริตทางนี้เรียกว่าเรียกว่าราคะจริต <c oughs> ชอบสวยชอบงามพึงเจริญอสุภะกรรมฐานไว้มากๆคือกระดูกก็ได้ไว้มากๆอันหนึ่งถ้าใจวิเศษแท้เห็นกระดูกด้วยและเห็นสิ่งที่เป็นปฏจิกูลเหม็นด้วย ไปยืนอยู่ก้าใต้ลมได้กินเหม็นด้วยเห็นกระดูกรั่วยิ่งวิเศษคือทำให้เราเห็นอตุภะได้ง่ายมากขึ้นจะเป็นกรรมฐานอันดีงามเพราะฉะนั้นรวมความว่าอตุภะคือกระบองโคดื้อคือราคะ มันกลัวกระบองราคะ・กลัวอาทุพะโคกลัวกระบองฉันใดการภาวนาก็ต้องหาเครื่องปราบให้เหมาะสมถ้าหาว่าปราบบวัวไ ม, ม่เหมาะสมมันก็ไม่กลัวบัวมันกลัวแต่กระบองฉันใดกามฉันราคะก็กลัวแต่อทุพะ ท่งเปรียบ ว, ว่าครลโคเหมือนกับราคะกระบองเหมือนกับอทุพะเที่ยวที่ชาวนาเกี่ยวข้าวเหมือนปัญญาชาวนาผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมคอกที่ล้อมมาอยู่เหมือนสติสังวรเป็นธรรมะได้หมดมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติระวังสังวร และเรามีเคียวคือปัญญาคอยพิจารณาว่าอาุระมันจะเกิดลดักษณะใดควรปรากมันอย่างไรจึงจะขาดจากอารมณ์ในขณะนั้นหรือจะเบาบางและหมดไปดังได้กล่าวมาแล้วจึงรวมความว่าผู้ที่มีอารมณ์ของราคะหรืออากามฉชันบ่อยๆควรนึกถึงอธุรพกรรมฐาน โครงร่างกระดูกไม่ง่ายแล้วก็จำไม่ง่ายจากภาพต่างๆก็ได้และมาพิจารณาตัวของเราพิจารณาง่ายๆก็นาคิดจะมามือของเรามีนิ้วนิ้วนี้มีหนังพุ่มอยู่มีแรปอยู่ภายในเมื่อเอาเนื้อเอาหนังเอาออกแลกในก็จะมีกระดูกแล้วก็พิจารณาให้หมดทุกนิ้วทุกนิ้วในขณะที่จิตจ้องพิจารณานั่นเองที่จะเกิดความสงบ หลวงปู่เจียวัดภูริทั์ท่านเคยแนะนำไว้ว่าท่านจะเดินอุปัฏรกมฐานครั้งแรกพิจารณานิ้วมือของตนสดๆแล้วก็พิจารณาต่อไปปอกเอาหนังออกเสียแล้วก็แค่เอาเนื้อเอาเอ็นออกเสียให้เหลือแต่กระดูกมีข้อตรงนั้นข้อตรงนี้เมื่อได้เข้าใจแล้วเห็นแล้ว พิจารณาแต่ละนิว้วกิตจึงไม่ว่างจากอาทุภะพิจารณาหัวไม่มือจนเห็นชัดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยกลับไปกลับมากิตอยู่กับอาุภะตลอดโคมนั้นไม่เข้ามาแล้วมันมีกระบองทั้งห้าอันมันย่อมกลัวกระบองกิจที่มีอาุภะพิจารณานิ้วแต่ละนิว้ว แค่นอกจากนั้นท่านก็พิจารณามากเข้ามาเข้าจนแขนข้างในจน ก, กระดูกทั้งตัวจึงได้กำจัดกามฉันหรืออทุพะไดะ้เพราะฉะนั้นกามฉันในข้อนี้เมื่อเกิดกับอิดของบุคคลแล้วไม่ทำลายไม่ตีมันไม่ไล่มัน มันจะเป็นเครื่องรบกวนจิตใจของเราที่จะทำให้จิตใจของเราหาความสกบไม่ในธรรมะท่านเปรียบว่ากามาฉันเหมือนคนที่เป็นหนี้ถ้าเราเป็นหนี้ใครเขาเราก็ไม่สบายใจเลยนึกถึงเจ้าหนี้ก็รบกวนใจเราอยู่เสมอ เคยยืมสิ่งของในวเงินทองเขามาแล้วยังไม่มีเงินใช้ใช้หนี้เขาจิตใจของเราหาความสุขไหมกามาฉันก็เหมือนกันรบกวนอยู่ในจิตใจของผู้ใดเห็นไหมในบางกรณีจะทำให้มีความสุขความสบายใจบ้างก็าตามแต่เป็นความสุขที่อมด้วยทุกข์ เหมือนน้ำหวานที่เขาใส่ ย, ยาพิษไว้เมื่อดื่มเข้าไปจะเปทุกข์เป็นทั่วกับร่างกายหรือเหมือนน้ำหวานที่ปล่อยไว้จนไปกลายเป็นน้ำเมาอันบุคคลดื่มเพราะว่ามัวหมอยก็เลยติดเมื่อติดแล้วจิตก็มืดมืดแล้วก็มองไม่เห็นเพลิดเพลินกับอารมณ์เหล่านั้นว่าสนุกสนานเป็นต้น พึงใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีในข้อเหล่านี้เมื่ออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนี่เป็นข้อต้นของนิวรณเป็นตัวอย่างประการที่สองพยาบาทในแก่ความคิดปองร้ายผู้อื่นมีกลุ่มของเขาก็คือปฏิฆะ ความจิตหขุดหงิดไม่ชอบใจอะไรของบุคคลหรือใครพูดหรือใครทําอะไรแล้วไม่พอใจหรือบางทีไม่พอใจแม้แต่ตัวเองที่ทําอะไรแล้วไม่ได้อย่างใจแต่ว่าเป็นจะเฉพาะขุดหขิดไม่มากนะแต่จะเป็นเหตุให้ทําไม่ไม่ทำลายไม่เห็นตามความจริงก็อาจจะงอกงาม จเจริญต่อไปในวันหน้าจนเป็นอุปาหนณะผูกโกรธไว้ผูกความหงุดหงิดไว้ผูกความรำคาญใจไว้ผูกความไม่สบายใจไว้ถ้าต่อไปจะหากไม่ชำระเสีย mm. ก็จะกลายเป็นโกรธคือความโกรธ ถ, ถ้าบุคคลทำสิ่งหนึง่งถึงใดมาแล้วไม่พอใจและมาทำซ้ำอีก mm. ก็จะเกิด ผูกความโกรธไว้และเมื่อถูกซ้ำกันอีกมากๆเข้าความโกรธก็จะรุนแรงเป็นโทสะตเพราะอาจมีการพูดมีการต่อว่าและมีการทําอื่นๆให้เกิดความเสียหายบางคนทําอะไรไม่ได้อย่างใจทุบบางทิ้งเช่นช่วยชามบ้างเสื้อผ้าบ้างของแม่ของตัวเองให้เสียหายไปเพราะ ความที่ไม่พึงพอใจในการแมตกาธรรมของเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างทวนพยาบาทเป็นความผูกอาฆาตที่มุ่งหมายเอาชีวิตและไม่ยอมปล่อยวางจะเป็นเหตุให้จิตที่เส้าหมออันนั้นนาไปสู่อบายภูมิในภายภาคหน้าผู้ที่มีความผูกความโกรธความพยาบาทนี้ คนพวกเหล่านี้จะไ ม, ม่มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเพราะขาดเมตตาคนผู้มีเมตตาใบหน้าไปอย่างหนึ่งคนผู้มีความโกรธไบหน้าไปอย่างหนึ่งในหนังสือในในธรรมบทรู้์สุขก็จะเป็นในธรรมบดมีเรื่องอเรื่องหนึ่งว่าพี่สุรูดหนึ่งเข้าไปที่ร้านช่างปั้นหม้อ เธอจะหญิงสาวเป็นลุกสาวของเจ้าของปั้นจึงไปขอดินเหนียวที่เขาปั้นหม้อนั้นเพื่อจะมายายากุติกุติของพระสมัยก่อนบางแห่งคล้ายๆกับเตาเผาถานลักษณะนั้นเวลามันแตกมันล่าหรือตรงไหนไม่ดีก็หาดินเหนียวมาปะมาพอกให้มันหนาขึ้น <c oughs> เมื่อพิสุขเข้าไปร้านปั้นหมอ้อไปขอดินต่อยิงสาวห <c oughs> ยิงนั้นไม่เต็มใจให้หรือไม่พอใจแต่แดงหน้านิว่วคิ้วกบวดบนนื่อบนนี่ไม่พอใจแต่ก็อดไม่ได้ต้องให้ให้พระให้เอาดินเหนียวนั้นให้พระไปพระก็ไปปั้นปลาร้านให้นิ่มพอดพัวแล้วแบบพ่อ อุดีเท็นเป็นบรรดุถ้มหรือเต้าถ่านเป็นที่อยู่อาศัยท่านกล่าวกันมาว่า <c oughs> ภายหลังหญิงนั้นตายไปแล้วไปเกิดอยู่ในสกุลหนึ่งอาศัยที่จิตโกรธพระนั้นรูปร่างของหญิงอิชาติหนึ่งนั้นครึคระไม่มีตรงไหนว่างามเลย เพราะโทษแห่งความโกโรธความไม่พอใจถึงเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วไม่นานนะยังมีผลให้ร้ายกับความเป็นไปในภพในชาติเป็นขนาดนี้แต่มีอีกส่วนหนึ่งของหญิงนั้นคือหมายความว่าเมื่อนางตัดใจให้ดินเหนียวแก่พระไปแล้ว ความที่นางให้ดินเหนียวแก่พระไปนั้นเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งแม้หญิงนี่ในร่างกายครุขระไม่มีอะไรงดงามเลยก็ตามในตำรากล่าวว่าถ้าชายใดได้ทับผัดเนื้อหนังมีมือแขนเป็นต้นของหญิงแม้ครั้งเดียวจะเกิดความปิดใจลืมความไม่สวยงามของหญิง พระบุญที่ได้ให้ดินเหนียวกับพระไปปั้นทำกุฏิอย่างนี้เป็นต้นนี่คือได้ในคําว่ากัญญานางวาปาปะกังวาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทาบาปได้บาปเพราะฉะนั้นมองเห็นโทษแห่งความโกรธมองเห็นโทษแห่งความพยาบาทมองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากความโกรธความพยาบาทนี้ให้มากๆ ว่าจะเป็นไปเพื่อสนองตนเองอีกประการหนึ่ง <c oughs> บาปอันใดที่บุคคลทำไว้แม้ครั้งเดียวผลของบาปไม่ได้ผลครั้งเดียวผลของบาปนั้นให้ผลไม่ต่ำกว่าสามครั้งที่ทำบาปแม้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นบาปจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวบาปจึงเป็นสิ่งที่เป็นโทษ อย่าเข้าไปใกล้าบาปอย่ายินดีกับบาปเวลาโกรธแล้วจะเห็นบาปเป็นบุญที่เรียกว่าเห็นช้างเท่าหมูคือเห็นช้างมันตัวใหญ่แต่ความโกรธแล้วจะเห็นมันตัวนิดเดียวไม่น่ากลัวความโกรธนี้ก็เหมือนกันผู้ที่ชนะความโกรธได้ต้องอาศัยการเจริญเมตตา <c oughs> และรักษาศีลขู่กันไปก็ยิ่งดี คือหมายความว่าเมื่อมีอะไรมาทําให้จะเกิดความโกรธก็ดีหรือว่ารู้ว่าตัวเองมีนิสัยมีจริตแห่งโภสะจริตก็พยายามเจริญเมตตาไว้ไว้เป็นนิจตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเห็นว่าถ้าเราได้เจริญเมตตาไว้อยู่เป็นนิจนี้เราจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับเราคือความโกรธได้และยังได้ชื่อว่า บูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติบูชาอีกประการหนึ่งด้วยนับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งพร้อมทั้งจะไม่มีผลในทางเรื่องของความโกรธในปัจจุบันและในภายภาคหน้าดังที่กล่าวมาแล้วด้วยบุคคลที่มีใจิตใจเมตตาอยู่เป็นวิหารธรรมย่อมมีใจิตใจแช่มชื่นเบิก บ, บาน ย่อมมีสีหน้าขปงใสมเมตตาบุคคลใดจเจริญแล้วมีอนิสงส์ิบเอ็ดประการคือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนด้วยประการต่างๆไม่มีเวรมีภัยไม่มีศัตรูทั้งสิบ ส, บ, สบเอ็ดประการและทิ้นชีพไปแล้วไปเกิดในคมโลกสำหรับคุณของเมตตามากมาย จะเป็นเหตุให้เกิดความเวียนว่นายในการเกิดในทางที่ดีถึงแม้ยังเม็พ้นวิสัยถ้าหากว่าจเจริญเมตตาจนได้ฌานทำเมตตาจะเกิดในเป็นพรมอันหนึ่งในของอำนาจของธรรมที่เป็นพรมนั้นถ้าหากว่าจเจริญเมตตาจนได้ฌานพิจารณาฌานเป็นวิปปัจนาทำให้พ้นจากอาสวะกิเลสได้ การเจริญเมตตาตั้งแต่ต้นเช่นย่อมไม่โกรธใครไม่คิดทำร้ายใครเขาจะว่าหรือเขาจะทำอะไรเราเราไม่ถือโกรธไม่ถือโทษไม่ถืออภัยให้ย่อมเป็นบุญญาธิการอุปถัมภ์ค้ำชูแก่บุคคลนั้นสิ้นกาลนานดังนี้หาอุบายให้กับใจดังนี้แล้ว จะบรรเทาความโกรธเหล่านั้นเียนได้อีกประการหนึ่งดังที่ภาษารีบุตรสอนไม้เคยเท ศ, เทศนาเทศนามาบ้างแล้วว่าภาษารีบุตรท่านสอนว่าถ้ามีคนทำให้เราโกรธเราหนีไม่ได้จะต้องประสบอันนั้นก็พึงพิจารณาสิ่งที่เขาทำที่เราไม่ชอบใจถ้าเขาทำไม่ดีต่อเรา แต่เขาเคยพูดดีกับเราก็นึกถึงคําที่เขาพูดดีอย่านึกถึงที่เขาทาไม่ดีถ้าหากว่าดีไม่ได้ที่เขาพูดไปดีกับเราแต่เขาเคยทําดีกับเราก็นึกถึงสิ่งที่เราก็ทำดีกับเราถ้าหากว่าเขาพูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีให้นึกว่าเขาเคยใจดีกับเรานึกถึงความดีในทางใจของเขา แห่ถ้าหากว่าทำเขาก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีใจของเขาก็ไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นพึงปลูกเมตตาสงสารคนเช่นนั้นว่าเขาเกิดมานี้มีบาอะไรหนอจึงหาอะไรดีในชีวิตของเขาไม่ได้พึงท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับเราเดินทางไปพบคนป่วยไข้ ที่อาการแสนสาหัสระหว่างทางยาก็มีไปแต่สารที่พยาบาลก็ไม่อยู่ใกล้เลยเราไม่รู้จะทำอย่างไรก็เพียงปลอบใจเขาว่าถ้าไปข้างหน้าไปเจอหมอไปเจอคนมีรู้เรื่องยาเขาจะบอกให้มาช่วยด้วยความสงสารเขาอย่าไปตรวจยอย่าไปรังเกียจเขาแปลประการหนึ่งระการใด คนที่พบคนอื่นเวลาทุกข์ทรมานมักจะเกิดทุกสานเมื่อจิตใจเกิดทรงสารขึ้นความที่เกลียดที่โกรธก็จะหายไปความดีคือความชนะเหนือความโกรธก็จะพุดขึ้นในจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาถามว่าถ้าไปพบคนที่ดีหมด กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีบางสิ่งที่ในบางครั้งเกิดฟามที่เราไม่พอใจขึ้นกับคนที่ดีหมดความจริงไม่น่าจะเป็นไปได้คนที่ดีหมดแต่เป็นได้ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันเคี้ยวอาหารไปเคี้ยวไปเคี้ยวมาลิ้นกะถูกฟันขบได้คนที่อยู่ด้วยกัน แม้จะรู้ดีว่าดีทุกสิ่งทุก อ, อย่างแล้วก็วาอาจเผออาจโกรธได้เมื่อเป็นเช่นนี้ประการแรกต้องดูความรู้สึกของตนเองว่าชอบทมหรือไม่ชอบทาถ้าหากว่าเราจะนึกโกรธเลียดกับคนที่ดีหมดเมื่อพิจารณาว่าต้นเหตุของความที่โกรธนี้มาเกิดอยู่ของตัวเราเราก็จะรักษตัวเราเอง เมื่อเราเห็นต้นเหตุของเกิดของตัวเราเราละสิ่งนั้นนั้นอย่าให้ไปโกรธเกลียดเขาอีกประการหนึ่งคนที่ดีหมดถึงแม้จะมีอะไรไม่ชอบใจใบางครัง้งบางคราวนั้นรวยมากจะเป็นความโกรธที่ไม่ค่อยถึงโทสะไม่ถึงพยาบาทจะเป็นเพียงเล็กๆ น, น้อยๆแล้วก็หายไป แต่ถึงอย่างไรก็ดีถ้ามีอาการเช็บนานขึ้นข้อของพิจารณาถึงต้นเหตุต่างๆบางทีคนเราพูดดีด้วยกันสองฝ่ายเราก็พูดดีเขาก็พูดดีแต่คนละทางกันผลจะให้ความดีสอทางเพียงจะว่าของใครจะรัดของใครจะสลาดกว่าเท่านั้นเองก็หาเหตุหาผลและความขัดแย้งเหล่านั้นก็จะไม่โกรธกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นรวมความว่าอาการต่างๆของการแก้วความโกรธความพยาบาทนี้ก็เพื่อให้จิตถึงซึ่งความผองแผ้วได้แก่ให้หมดจากนิวรณ์ข้อพยาบาทพยาบาทนี้ท่านเปรียบเหมือนเป็นโรคคือโรคภัยไข้เจ็บโรคเลื่อนเป็นต้นกามฉันเหมือนเป็นหนี้ พยาบาทเหมือนโลกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโลกนั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าโลกคันก็จะวนจิบเรื่องกับการคันถ้าโลกเจ็บปวดก็จะยุง่งกังวลจะเรื่องปวดของตนและโลกอะไรต่างๆเกิดมีขึ้นหาความสุข ก, กับุคคนนั้นไม่ได้คนผู้มีนิสัยโกรธหรือพยาบาทก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ แม้จะคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเพอเห็นเขาคนนึกว่าคนนั้นจะไม่ดีกว่าเราอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คิดเองไปเองปรุงแต่งเองปรุงแต่งเองแล้วโกรธเองปรุงแต่งเองและพยาบาทเองบางทีคนอื่นเขาไม่รู้ก็ได้พึงใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบในความเป็นไปสร้างสรรค์จิตใจของตนเองให้เกิดเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมไหวเขาว พยาบาทเป็นทาฝ่ายดำทำใดเป็นฝ่ายดำไม่ดีเป็นเหตุให้มืดมนหรือทำฝ่ายดำเป็นทางเป็นทางเป็นทางคตจะเป็นเหตุให้เกิดราชาทางทำฝ่ายดีทำฝากถ่ายปายขาเป็นทางตรงจะเกิดทำให้เกิดความราบรื่นหาอุบายข้อเปรียบเทียบหลายสิ่งหลายอย่าง หลายประการให้เกิดฟัญประวามากขึ้นลักษณะของนิวรในข้อปรยาบาทซึ่งจะมีอาการและหาทางแก้ดังได้กล่าวมาแล้วในข้อสารีนมิทะความท้อถอยเบื่อหน่ายอิจฉาระอาใจหรือง่วงเงาวหาวนอนเกิดมีขึ้นง่วงงาวหาวนอนบางทีอาจจะเป็นด้วยธรรมชาติ ถึงคนเราต้องพักผ่อนต้องง่วงเหงาเหานอนแต่ถ้ารู้ว่าท้านักปฏิบัติก็พิจารณาว่าอาการของการพับผ่อนพอเราเพียงพอแล้วแต่ยังเกิดความง่วงเหงาเหานอนนั่นแหะตัวเป็นทินะมิทัเป็นตัวอุปสรรคในการทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสติมีปรรัญญามีความระวัง ที่จริงแล้วอารมณ์ที่จะเกิดของถีนั้นมีท่านั้นก็คืออารมณ์ที่เราจะทำสมาธินั่นเองเวลาเราจะทำสมาธิเราปล่อยวางอารมณ์อื่นหมดและให้จิตนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวพื่อความมีสติคุมไว้ในขณะที่จิตอยู่กับพุโทโธแล้วมีสติคุมไว้นั้นจิต ก, ก็อยู่นิ่งและค่อยๆ ไปหาความสงบจิตก็ค่อยเบาขึ้นในขณะที่กำลังเดินจิตเบาขึ้นนั้นถ้าสติอ่อนจะทำให้เผลอหลับไปไม่ถึงสมาธิถ้าหาว่าสติแข็งจะทำให้รู้สึกตัวอยู่เสมอและสงบอันนี้เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นความง่วงกับสมาธิเดินทางสายเดียวกันเบื้องต้น แล้วจะแยกกันหรือไม่แยกกันตอนมีสติคุมได้กับคุณไม่ได้ถ้าสติคุมไม่ได้ก็หลับไม่เป็นสมาธิถ้าสติคุมได้จิตก็ปลื้มสงบมีปิติเกิดมีขึ้นใจก็เย็นน่ก็เป็นสมาธิได้จิตที่เป็นสมาธิแล้วยอมกาจัด ทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปวดเมื่อยก็หายไปเวลาง่วงนอนก็หายไปอารมณ์อะไรที่ทําให้เกิดความหมุดิดก็หายไปเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วนันที่กล่าวเบื้องต้นว่านิวรณ์ทั้งห้านั้นไม่ได้เกิดทีเดียวพร้อมกันห้าอย่างเกิดแต่ทีละอย่างอย่างอื่นก็ยังไม่เกิดเช่นพยาบาทเกิดอย่างอื่นก็ยังไม่เกิด และเมื่อปฏิบัติให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นระงับดับไปจนเกิดความสงบขึ้นนิวรณ์ทุกข้อก็สงบไม่มีข้อไหนที่จะมาต่ดแจกรังกิตใ จ, จได้ในขณะจิตสงบพอจิตสงบมีเสติสุกเอกคตาคือจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งกามฉันก็แทรกไม่ได้พยาบาทก็แทรกไม่ได้ถีนัมิทะก็แชกไม่ได้ อุทธจักรเขาแสรกไม่ได้วิจิกิจขาก็แสรกไม่ได้จิตก็สงบพึงลองพิจารณาดูว่าในขณะเมื่อเราปฏิบัตินั้นถ้าเราทําให้จิตของเราเป็นกลางไม่ให้ว่าไม่ให้ความยินดีและความยินไล่ทั้งสองข้างนั้นเข้ามาในจิตของเราทําใจของเราให้เป็นกลางไว้และมีสติตั้งใจภาวนาไว้จิตก็สงบได้ ไม่เรียกว่านิวรณ์ข้อไหนไม่ต้องไปคร่ำนึงถึงนิวรณ์ก็ได้ ส, สางจิตของเราให้สะอาดเว้นจากความยินดีจากความยินไล่ทั้งสองอย่างคือความยินดีเนอาจจะเป็นกามฉันความยินไล่อาจจะเป็นพยาบาทไม่เอาทั้งสอ ง, งอย่างทําใจของเราให้เป็นกลางไว้แล้วมีสติภาวนาไว้ยจิตสตงบได้จิตสงบแล้วอกุศลหรือนิวรณ์เหล่านั้นหรือวิกตกต่างๆเหล่านั้นก็หายไปหมดไป ต้องแก้กันอยู่ตรงนี้เท่านั้นสวนอุทธิจากูจักความพุ่งร้าและรำคาญสวนตัว น, นิวรนพ่อสนะามอุฏีนมีทัในขณะกำลังแก้ชาจิตยังไม่ตกอย่าเพิ่งภาวนาะต้องให้จิตถึงปิติอิ่มใจเสียก่อนเมื่อจิตถึงปิติแล้วความห่วงเหงาวหาวนอนท้อถอยเบื่อหน่ายเสื่องซึมก็หายไปก็เป็นจิตที่ตื่น เป็นจิ่ที่เบิกบานแล้วจึงค่อยทำแล้วจังค่อยปฏจจิบัติภาวนาต่อไปถ้าไม่เช่นนั้นก็ลุกจากที่ไปเดินจงกรมบ้างไปดูฟ้าสว่างสว่างบ้างหรือน้ำล้างหน้าบ้างตามพอสมควรแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองกระกรำมาก ม, มีเวลาพักผ่อนน้อย ฝืนสังขาร่างกายไม่ไหวค่อยพักผ่อนเสียและตั้งใจว่าพอลุกขึ้นพอตื่นขึ้นก็จะภาวนานั่งสรรมาธิหรือจงกรมตามควรแก่ความเป็นไปแต่หลวงปู่มัน่นท่านเล่าว่าในประวัติท่านว่า <c oughs> ถ้าเวลาตีสามเป็นต้นตื่นขึ้นท่านจะรีบเข้าหาที่จงกรมก่อนเดินจงกรมจนหายความง่วงและจิตพอํารวมแล้ว <c oughs> จึงจะมานั่งสมาธิอื่นๆได้หรือไม่กับพิจารณาต่อไปทุกอย่างต้องแก้ให้ตกก่อนให้จิตมีอิสระไม่ให้จิตเป็นธาตของนิวรณ์ต่างๆจึงจะพายสงบได้ส่วนข้อสีอุทธธจักกุกกุจักความฟุ้งซ่านอย่างหนึ่งลำคาญอย่างหนึ่งคว <c oughs> ามฟุ้งซ่านนั้นโดยตรงท่านให้เจริญมรณาติ ระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตน น, นึกภาพถึงคนตายนึกถึงคนที่คุ้นกันแล้วก็ตายจากไปและจะนึกถึงว่าตนเองจะต้องตายเป็นอย่างนั้นแต่ทําให้จิตเกิดความสังเวชนึกอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการตายหรือพัดพลาดจากกันแล้วจิตเกิดความสังเวจิตเกิดความสังเวจจะเป็นเหตุให้หยุดความกุ้งซ่าน ถ้าจิตไม่มีสังเวชข้างค้างอยู่จิตจะคิดเลื่อยไปหาความอยู่ยั้งได้ยากต้องอาศัยนึกถึงสิ่งที่ให้เกิดความสังเวชคือความตายเป็นอารมณ์หรือเคยเห็นซากศพที่ตกที่คนถูกรถชนตายก็ดีแขนขายขาขาดก็ดีพอนึกถึงเรื่องเหล่านั้นใจของเราก็สลดถ้เกิดความสังเวช และจะปล่อยวางอารมณ์นั้นมาคุมจิตต่างเวทให้อยู่กับจิตสมาเสมอภาวนาไปก็สงบได้อันหนึ่งผ่านึกถึงความตายแล้วม่สงบให้คมใจให้ใช้วิธีขมใจคือหมายความว่ า, วากลั้นใจไว้ในคนก็เล็กว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทธเร็วเร็วในจิตใจหายใจเข้านี่พุทโธหลายหลายเที่ยวหายใจออกนี่พุทโธหลายหลเที่ยวฝุดไปฝุดมาย้อนไปย้อนมาด้วยพุทโธเร็วเร็ว ส้าพักหนึ่งก็เปิดชรอดูลทดลองภาวนาดูว่าความาคุ้งซ่านดีขึ้นหรือยังถ้าดีขึ้นแลน่ก็จะเกิดปิติเกิดความสบายใจความคุ้งซ่านเหล่านั้นมันห่างไปไกลแล้วห่างมาจนมองไม่เห็นจึงตั้งใจภาวนาต่อไปใหม่ได้ความรำคาญอยู่ติดอันหนึ่งอันใดเป็นให้เกิด เ, เป็นเหตุใ ห, ให้เกิดความกังวล เป็นเหตุให้หยินไม่หนึ่งในการภาวนาพึงใช้โยนิโสมนัติการใช้ปัญญาพิจารณาดูและประจั์อารมณ์เหล่านั้นเสียให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังไม่อยู่อย่างนั้นล่ำไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าประยุทธ์เหมือนับเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึด ก็จะไม่มีตัวมีตนและก็จะมีทุกข์พึงศึกษาในใจของเราไว้แก้ไขด้วยปัญญาโยนิโสมนิการคือพิจารณาโดยแยกคาย <c oughs> ก็จะสามารถคำจัดพุทธจักภูุจักควาภูซ่านลางพานได้และวิจิตกิจฉาข้อสุดท้ายต้องอาศัยการเจริญปัญญา <c oughs> ให้รู้แจ้งเห็นจริงศึกษาต้งกัต สงสัยในข้อใดในการปฏิบัติเช่นสงสัยว่านิพพานมีจริงหรือไม่สามาธิความสง บ, บมีจริงหรือไม่ต้องศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติถ้าเห็นว่ามีจริงและปฏิบัติให้ถึงถ้ารู้ว่ามีจริงและยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เห็นของจริงจึงต้องสร้างจิตให้มีศรัทธาปัสาทะและความอดทนความเพียร ให้มากๆยิ่งขึ้นจึงจะบรรลุผลที่จะเกิดเห็นสมาธิรู้เรื่องสมาธิและเจริญปัญญากาจัดอนุสั ย, ายัารย่อังกาจึงจะเห็นนิพพานหรือเห็นโลกุตละธรรมถ้าปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยและบอกทำไม่มีจริงอันนั้นเพราะว่ายังไปไม่ถึงเหมือนเราจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งยังไม่ถึงที่หมาย แล้วจะกลับมาบอกว่าที่นั่นไม่มีจริงนั้นไม่ได้ฉันใดการปฏิบัติต้องให้ถึงให้จริงแล้วเมื่อเห็นจริงนั้นแล้วก็จะละจริงนั้นได้ถ้าเราศึกษาและมีปัญญาฉเฉลี่ยฉลาดรู้แจ้งตามฟ้ามีจริงเราก็จะหมดความสงสัยเช่นว่าคําว่านิพพานหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติธรรมจนละลาภได้โทสะได้โมหะได้ จิตของเขาขาดจากราคะโดยเด็ดขาดจิตของเขาขาดจากโทสะโดยเด็ดขาดจิตของเขาขาดจากโมหะโดยเด็ดขาดราคะโทสะโมหะไม่หวนกลับมาเกิดขึ้นมาได้อีกเหมือนคนตายแล้วเน่าแล้วเสียแล้วคนนั้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้อีกจิตเดต่างๆก็ตายเหมือนกับคนตายแล้ว เมื่อผู้ที่ปฏิบัติถึงอัดถึงทำด้วยฟ้ามภาคเพียนกิเลสนั้นก็ตายไปที่ไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้อีกแต่การตายของกิเลสนั้นเพราะความรู้แจ้งรู้อย่างท่องแท้ว่ากิเลสมันเป็นอย่างนี้เลยไม่เอามันไม่ยึดถือมันและปล่อยมันไปไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับจิตโทเราอีกต่อไปเมื่อเห็นตาความจริงแล้ว จิตก็ไม่เข้าไปยึดถือเหมือนกับว่าเราเห็นศัตรูอยู่ใกล้กับตาอยู่ไกลกับตาเราจะไม่เดินเข้าไปหาศัตรูไปคบหาสมาคุพเรารู้ตาความจริงแล้วว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างฉันใดเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของกิเลสต่างๆที่ฝาจิตไม่ถึงนิพพานไม่ถึงความสงบ ความเหมือนกันความสงบมีอยู่แต่เรายังปราบอุปสรรคไม่ได้นิพพานมีอยู่แต่เราเจริญอริยมรรคไม่ได้จึงไม่สามารถจะเดินถึงนิพพานเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นศึกษาไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจดังในกล่าวมาความ ร, าม ร, ามรู้เป็นเครื่องแสงสว่างอย่างที่ได้วความว่าปัญญาโลกัะชมิ้งปัชโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างให้โลก ปัญญาเป็นแสงสโลวางนั้นไม่ใช่มีแสงดังอะไรจะห น, นแต่ทำให้จิตใจของบุคคลนั้นสวาน่างทำให้รู้เห็นอันเห็นธรรมรู้อะไรว่าควรละควรจเจริญรู้ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะทั้งสามประการนี้มีทุกไม่โทษทำให้คนเวียนว่ายตายเกิดทรมานกันเรื่องต่างเกิดมา ก, กันทุกทรมานเพราะกิเลสสามตัวนี้จึงพยายามละเสียจนขาดขาดแล้วก็หมดไป ถ้าจะพบนิพพานที่ว่าไม่จริงนั้นความจริงขอจริงของจริงมีอยู่แต่เราไปไม่ถึงทเดินไม่ถึงทางนี้เพราะฉะนั้นกิเลสทั้งห้ากองหรือว่านิวรณ์หประการนี้ต้องมองให้เห็นว่าเป็นตัวศัตรูของจิตเป็นตัวมืดมนอันตรการของจิตที่จะไม่ให้เกิดปัญญาพยายามรัเสียทุกๆ ตัวอย่าให้เกิดมีขึ้นถ้าตัวไหนเป็นจริตอัิยาาใจที่เคยลูกพันมากๆพย า, ม า, มายามรัดตัวนั้นให้มากๆแล้วหมั่นจเจริญจิตกับภาวนาไว้ถึงแม้ไม่แต่งงคนนึกถึงภาวนาพุทโธพุทโธใน ย, ยามว่างหรือเวลาทำกิจการงานจะทำด้วยความมั่นใจทำด้วยมีสติทำด้วยมีปัญญาคุกขอบรวมจิตใจของเราไว้ให้อยู่กับพุทโธบ่อย ไม่ใช่จกเพียง ว, ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งถึงเวลานั่งสมาธิจะ น, นึกถึงพุโทโธสักครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ได้น้อยไปไม่พอเป็นกําลังแห่งความสงบต้องนึกถึงไห้บ่อยๆและทำไว้บ่อยๆนาทีหนึ่งสองนาทีก็ยังดีนึกขึ้นได้หรือมีสติคอยควบคุมอยู่น้อยน้าที่เราจะเผอวันหนึ่งคืนหนึ่ง เราคุมสติเรามีจิตคุมจิตมีส ต, ติคุมจิตของเราได้กี่ครั้งเป็นเวลานานเท่าไหร่วันหนึ่งเราภาวนากี่ครั้งกี่นาทีถ้าหากว่าน้อยบาจันวนที่เราไม่ทําจิตก็ยังยากที่จะเกิดความสงบนอกจากทําให้มากแล้วเกิดความสงบแล้วต่อไปจึงสามารถจะทําให้เร็วขึ้นได้นานนี้เพราะฉะนั้นนิวรณ์หประการคือการมฉันพยาบาทีทนะมิทะ อุทจจักภูจัวิจิกิจชาทั้งห้าประการนี้จึงเป็นตัวอุปสรรคให้จิตที่เกิดความจะทำให้สงบก็ไม่สงบและบางทีนิวรทั้งห้าเป็นส่วนละเอียดแหวงอยู่ในจิตนั้นซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยังไม่ประณีียงมองอเมื่อภาวนาไป สาักเกตในขณะใดาอารมณ์ของราคะโทสะโมหะมาแทกแสดงแล้ ว, ว่ากิเลสทั้งามองนั้นยังอยู่ในใจของเรานั่นเองจึงเกิดขึ้นมาแทรกข้อหาทํำลายเป็นด้วยกรรมฐานที่พิจารณานนในก่ามาแล้วคือกา ร, รมฉันเจริญอสุภกรรมฐานกระดู ก, ก็ได้พยาบาทเจริญเมตตา พยาบาทเจริญเมตตาหินนมิท่าตั้งใจไว้ให้ดีนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ปุทธจักูปุจจัเจริญนมรนรตติหรือมีโยนิโสมใติการกำจัดอารมณ์ก้างเสียหมดวิจิกิชฉาพย า, ายามใช้สติปัญญาพิจารณาศาึกษาทำที่พระองค์ทรงตัดสอนไว้อย่างไรให้รู้แจ้ง และปฏิบัติให้ถึง้อจะได้พบเห็นของจริงความที่สงสัยต่างๆก็หมดไปจากทรอารมณ์ของจิตใจของเราไม่สงบก็สงบไม่สว่างก็สว่างไม่รู้ก็รู้ทำให้จิตใจของเรากระจ่างขึ้นด้วยการปฏิบัติน้องเนาอน้อำอักสอนของพระพุทมีพระพ้าเจ้าส่วนใดเป็นกุศลบางเคสบางเคสนห้เกิดมีขึ้น ส่วนได้เป็นอาคุศนพยายามละไปเสียให้ไกลให้ไกลมากที่สุดคือหมายว่าไกลจนจิตไม่ค่อยนึกถึงถ้าหากว่าไม่ไกลนักจิตมัวหววคิดถึงอยู่บ่อยๆก็ทําให้อารมณ์เหล่านั้นย้อนกลับมาได้เห็นโทษให้มากๆเห็นผู้ให้มากๆเห็นความที่กิเลสทั้งหลายนั้นนํำผู้โทษมาให้เหลือที่เชคานามากๆก็จะทําให้จิตชาวเราห่างไกล เหมือนกับคนชั่วเราไม่ปรารถนาพคนชั่วพอพูดถึงร่วมคนชั่วก็ไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงเพราะจิตใจของเราห่างจากคนชั่วแล้วฉันใดก็าะ้นนั้นเพราะฉะนั้นพึงกำจัดอารมณ์ที่จิตของเราให้หมดจดด้วยการปราบความความที่ตรงข้ามให้จิตของเราหมดจากนิวรณ์ทุกข้ออย่าให้มีเหลือจนจิตของเ ร, ราเป็นกลาง ไม่ยึดมั่นถือมัน่นในอารมณ์ทั้งสิ่งที่เป็นห้ากินดีและไม่น่าจินดีทั้งเป็นกุศลและอกุศลทาใจของเราไว้ให้เป็นรงกลางและภาวนาด้วยความมีสติดังที่เคยได้แนะนำและกล่าวประจบกล่าวแนะนำกันบ่อยๆและเ่ยปฏิบัติกันมาบ่อยๆแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปช่วงตั้งใจทังรวมจิตอย่างจริงจัง อย่างแน่วแน่มั่นคงไม่กลัวง่วงไม่กลัวเมื่อยไม่กลัวลาบากที่จะมานั่งอยู่นานๆและทำงานเพื่อให้กิตเพื่อให้กิดให้เกิดความสงบทนั้นด้วยความมีสติเวลานี้เราจะทำงานทางนางมธรรมคือให้กิจของเราอยู่ในขอบเขตแห่งความสงบและวิธีตรวจแห่งความสงบก็คือมีสติและมีปัญญา แังนั้นต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่าเพียนบําเพ็ญภาวนาให้จิตของตนให้ถึงซึ่งสมาธิให้ถึงซึ่งความสงบแม้จะมากน้อยประการใดก็เพื่อให้ได้เกิดอิทธิของเราได้ผ่านประสบอารมณ์ที่สงบนั้นแต่อย่านึกด้วยความอยากทำใจเป็นกลางแล้วนึกถึงอารมณ์นั้นเพื่อฟมมีสติตั้งมั่นและภาวนาไปก็จะพบได้ สอ น, นี้ไปคือตั้งใจเจริญจิตภาวนาด้วยความมีสติอันมั่นคงตามคำสอนของพาาระสารดา่อ